บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารณชนทั้งหลายสืบต่อไปอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือความไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการแม้จะมีการกระจายออกไปเป็นความไม่รู้อดีตนาคตทั้งอดีตนาคตและในกฎของปฏจยาการร ก็คงสืบเนื่องมาจากความไม่รู้อริยสัจ ท, ทั้งสประการนั่นเองท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระญาบุคคลทั้งหลายจะถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเวลาท่านรู้ท่านก็รู้อริยสัจสี่แล้วสิ่งที่ท่านไม่รู้ก็ถูกขจัดไปหมดด้วยความรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสประกาศเราได้พูดถึงความไม่รู้ทุกมา โดยนัยยะต่างๆตามที่ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาบใดที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความทุกข์แต่ด้านความทุกข์ก็ต้องเกี่ยวข้องผูกพันสร้างความบุบวาให้แก่เราหยุดสาบนั้นแต่ถ้าเรามองถึงบุคคลทั้งหลายที่เขาประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม ความทุกข์ทั้งสองกลุ่มคือเกิดแก่ตายก็คงมีอยู่แก่ตัวของท่านโดยเฉพาะพวกแก่กับพวกตายท่านต้องแก่แล้วก็ท่านต้องตายในขณะเดียวกันความทุกข์ที่จรมาที่ท่านเรียกว่าความโศกความรำไรรําพันธ์ความทุกข์ความเสียใจความกับแค้นใจ ที่จริงแล้วตัวเหตุให้เกิดมันก็เกิดแก่ท่านแต่พอดีภายในใจท่านไม่ได้ไปให้ความสําคัญแก่สิ่งเหล่านั้นความทุกข์ก็ต้องก็ไม่เกิดแก่ท่านเช่นการพลาดพราดการสูญเสียก็เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเพียงแต่เพราะรู้เห็นทำความเป็นจริงวันนี้คือคติธรรมดาของชีวิต เกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ไโศกเสียใจอะไรกับการดับเหล่านั้นแล้วก็ไม่ชื่นชมยิน ด, ดีอะไรกับการเกิดเหล่านั้นต่นี้เป็นเพาอะไรเพราะว่าในช่วงหลังในช่วงสุดท้ายที่ส่งสรุปไว้ในเรื่องถูกดูเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตทียึดมั่นถือมั่นในขานทั้งห้านั่นเองเป็นถูก เราะันต่เราถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ลงไปเข้าถึงกติกาธรรมดาว่าแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาการรบัดเยียรยารักษาเป็นภารกิจที่จะต้องจัดจะต้องทําแต่ว่าเราจะไปบังคับไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เรื่องตรงนี้จึงเป็นเรื่องของการบรรเทาไม่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของการขาจัด อย่างที่ทรงแสดงไว้ถึงความทุกข์ที่ครอบงาชีวิตคนเราอยู่สิบประการแต่ละคนก็ทำได้แค่บรรเทาให้ดับไปจริงๆไม่ได้นอกจากว่าดับการเกิดแต่การเกิดที่จริงมันก็เป็นผลมาจากกิเลสมันไม่ต้องการดับการเกิดก็ต้องดับที่กิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิด กิเลสได้เกิดดับกิเลสเป็นกิเลสได้เกิดดับความเกิดมันก็ไม่มีต่อไปกระบวนการแห่งทุกข์ต้งพวงมวันก็ดับดังนั้นในการบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะหนาวร้อนหิวกระหายปวดตุจา ร, ระปวปัสสาวะ ง, วง่วงนอนหรือแก่เจ็บตายก็ตามให้เราสังเกตุพวกเหล่านี้ถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดาเข้าไป ใจเราจะไม่เดือดร้อนมากเกินไปแต่ถ้าเรายอมรับจะเรียกว่ารับรู้ล่วงหน้าเอาไว้ก็ํำลองใกล้ายๆเราจะไปในที่หนาวประเทศต่างประเทศร้อนเป็การรู้ล่วงหน้าก็เตรียมตัวล่วงหน้าพอไปถึงสถานที่นั้นก็ปรับตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นหนาวหรือร้อนก็นได้เพราะแนวพวกสังขารธรรมทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องอยู่กับทุกเป็นการศึกษาสั่งสอนให้เตรียมตัวร่วมหน้าด้วยแล้วก็ดูที่ปัจจุบันด้วยในกรณีของการเตรียมตัวปัจจุบันก็คือถือเป็นคติธรรมดาทำใจยอมรับความจริงของชีวิตในแต่ละวันความแก่ก็เป็นธรรมดาความเจ็บก็เป็นธรรมดาการตายเป็นธรรมดาการพลาดก็เป็นธรรมด า, ารรน เวลาเราจะต้องการปรารถนาอะไรเราต้องมีการทำใจเอาไว้คือแม้ไม่ใช่ไปตั้งเอาไว้จุดใดจุดหนึ่งว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างน ốt คื อ, อยังไงมันก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเอากระจิงตัวของเราเองเราจะบังคับไม่ได้บังคับไปเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ แล้วสิ่งอื่นบุคคลอื่นสัตว์อื่นเราจะบังคับวห้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้อย่างไรตึงก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะาสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นกระบวนการเขาเหตุปัจจัยเฉพาะตัวคนนั้นถ้าว่าเราทำใจยอมรับความจริงเอาไว้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนกับสัต์กัสิ่ง ก็ตเตรียมใจยอมรับไว้เสมอเวลาได้มันก็ไม่ชื่นชมยินดีอะไรมากนะักเวลาเสียมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรเกิดไปหรือว่าได้สักครึ่งสักกึ่งมันก็ดีกว่าไม่ได้ตลงสามารถปรับใจได้ทั้งหมดลักษณะความคิดเหล่านี้อยู่ที่ตัวความรู้ที่สัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้น ตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือตัวอย่างของการที่ส่งสอนไว้เรื่องโลกธรรมเรื่องลาภยศสันสญสุขหรือไม้เสริมลาภเสริมยศกินถาตุกซึ่งเป็นที่มาของความยินดีความยินร้ายในกระบวนการความรู้สึกว่ายินดียินร้ายนั่นเองเึงสังเกตว่ามีการได้มีการเสียมีการสมหวังมีการผิดหวัง มีการดีใจมีการเสียใจมีความสุขมีความทุกข์มีความเสือ่อมมีความเจริญติดตามมาเป็นแถวจากการได้หรือไม่ได้แต่เราจะเห็นว่าการได้มันก็ไม่หยั่งยืดการเสียเองก็ไม่อยั่งยืดสิ่งที่เราเคยได้นั่นเองก็กลับเสียไปสิ่งที่เราเคยเสียนั่นเองก็กลับได้มา ถ้ามันได้มาแล้วก็ก็อาจจะเสียไปชีวิตจึงอยู่ในกระบวนการการได้การเสียเราสามารถทำใจยอมรับถึงความจริงทั้งสองช่วงคือช่วงได้และช่วงเสียไม่ปล่อยความดีใจหรือความเสียใจครอบงมจิตมากเกินไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าโลกธรรมคือลาบยศสันเสริญสุขหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุก จรงๆมันเป็นสาคูนคือเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายเกิดขึ้นแม้แก่พระรยาบุคคลเกิดขึ้นแม้แก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วเกิดขึ้นแก่คนทั่วทไปแต่ทําไมเวลาเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาแต่ว่าเกิดขึ้นแก่สามัญชนแล้วจะมีปัญหาคือจะมีความยินดียินร้ายดังกล่าว มีความสุขความทุกข์มีรู้สึ ก, กว่าตัวเสือ่อมรู้สึ ก, กว่าตัวเจริญรู้สึ ก, กว่าตัวได้ตัวเสียแล้วก็ดึงคนอื่นเข้ามาเป็นสุขเป็นทุกข์ด้วยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละไปเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจา้าแก่พระญาพทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นก็คงเป็นสิ่งเหล่านั้นจิตใ จ, จน้ำพระทัยของท่านก็คงเป็นอย่างเดียวไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ปังเกิดขึ้น ยังที่มีการพูดกันแล้วก็เป็นข้อที่ตกเฉียงกันมาตั้งแต่โบราณกาลพอโลกเราออกจริงแล้วก็คือสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นตัวสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตที่เราเห็นได้ด้วยตาได้ยินได้ด้วยหูสูดดมได้ด้วยจมูกลิ้มได้ด้วยลิ้นถูกต้องได้โดยกายเราก็เรียกว่ารูปหรืออีกยันหนึ่งวัตถุ สิ่งที่เรารู้ได้ใจเราเรียกว่านามที่มีการถกเถียงกันในหมู่นักจิตนิยมกับวัตถุนิยมว่าอะไรมีความสำคัญกว่าอะไรพวกวัตถุนิยมก็จะมีความรู้สึกว่าวัตถุนั้นสําผัญคล้ายๆกับการพูดหรือการแสดงความคิดความเห็นของคนไทยเราในปัจจุบัน ถ้าลองสังเกตว่าพอพูดถึงภาพรวมแล้วทุกคนจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจก่อนคือจะมองเป็นที่เศรษฐกิจก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองจากสายศาสตรก็มองจากสังคมก่อนคือมองจากปจเจ ก, กชนแต่ละคนก่อนเพราะอะไระเศรษฐกิจแม้จะมีการพัฒนาไปยังไงก็ตามแต่ไม่ได้พัฒนาผลจิตใจคนไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักจุด ในสุดเศรษฐกิจแ่านั้นก็จะมาทำลายคนแตนที่คนจะเป็นนายบังคับใช้หาประโยชน์จากสิ่งเล่านั้นที่ในฐานะที่เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยแต่สิ่งล่านั้นจะกลายเป็นนายก็มีการตกงเทียกันมาตั้งแต่โบราณว่าวัตถุ ก, กาหนดจิตหรือจิตกำหนดวัตถุซึ่งว่นนี้ท่านปาชนทั้งหลายจะสามารถสังเกตจากจิตใจของเราได้ พอจิตใจของใครก็ตามที่ถูกวัตถุกําหนดเอาจะมีเสียงให้โกรธก็โกรธมีเสียงให้รักก็รักมีเสียงให้ยินดีก็ยินดีมีเสียงให้ยินร้ายก็ยินร้ายมีเสียงให้สุข ก, ก็สุขมีเสียงให้ทุกข์ก็ทุกข์เราเลืดูว่าถ้าจิตใจเราอ่อนไหวขนาดนั้นแกงเป็นธงยอดเสาขนาดนั้นจะมีความสงบได้ยังไงจิตใจมัจะเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทร คือเป็นเคลื่อนอยู่ตลอดแต่ว่าคนเป็นนันมากมีความเชื่อว่าวัตถุนั้นเป็นตัวกําหนดจิตวัตถุสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับจิตได้แต่ว่าคนบางพวกเนี่ยเขาว่าจิตเป็นตัวกําหนดวัตถุไม่ว่าวัตถุจะเป็นอะไรก็ได้มันก็อยู่ที่จิตจะมีความรู้สึกต่อ ว, วัตถุเหล่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของคนคนเดียวกันหรือคนละขณะกันไรือว่าหลายหลายคนแต่ว่ารูปเสียงกริดร้สัมผัสอย่างเดียวกันเราจะสังเกตได้ทันทีว่าอะไรเป็นเรื่องของการกาหนดอะไรเช่นสมมติเราเห็นรูปด้วยกันหลายคนนั่งด้วยกันเห็นรูปด้วยกันด้ฟังเสียงด้วยกันความรู้สึกที่เกี่ยวกับรูปรดนั้นบางคนอาจจะไม่รู้จัก บางคนอาจจะคลั่บคล้ายครับพระบางคนอาจจะรู้และในคนที่รู้นั่นเองแล้วก็แยกตัวเองเออกไปว่ารู้สึกยินดีรู้สึกยินรายรู้สึกเสียใจคือไม่ยินดีไม่ยินรายแต่มองเห็นว่ารูปมันก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเท่านั้นเอง คนตรงนี้จะเห็นเรื่องความแตกต่างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอย่างชัดเจนว่าถ้าวัตถุเป็นตัวกาหนดจิตจริงๆแล้วจิตก็ควรจะต้องมีความรู้สึกเหมือนกันหมายความว่าถ้ายินดีก็ยินดีด้วยกันยินร้ายก็ยินร้ายด้วยกันเฉยๆก็เฉ ย, ย, ย, ย, ยๆด้วยกันแต่จริงๆแล้วก็ไม่เป็นเช่นนั้นก็ยังคำกรนที่มีการเผยแพร่กันแต่หลายที่ว่า สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตรงคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอย่างปาราปรายแต่วัตถุอย่างเดียวกันเสียงอย่างเดียวกันเกลอย่างเดียวกันรสอย่างเดียวกันสภาผัสอย่างเดียวกันแต่พื้นฐานจิตของคนเราไม่เหมือนกันจะมีความรู้สึกต่อสิ่งต่างแตกต่างกันออกไปตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วนี่จิตเป็นตัวกำหนดไม่ใช่วัตถุเป็นตัวกาหนด แต่ในขณะเดียวกันดูแล้วคล้ายๆจะวัตถุ ก, กัมหนต์มันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกันักเลงดื่มสุราจนติดสุราพูดเรื่องสุราไม่ได้นำลายไหลอามาก็ อ, อยากดื่มสุราคนนักเล่นไพ่พูดเรื่องไพ่ไม่ไดไ้อยากเล่นไพ่นั้นแสดงว่าถ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้สะสมอยู่มากๆ มันจะถูกสิ่งเหล่านี้บังคับไปคล้ายๆกับพวกศิลปินพวกนั ก, กร้องอพวกอะไรเสียงปี่เสียงกลองเสียงดนตรีขึ้นน่ยมันขึ้นทำไมจึงเป็นเท่นั้นก็เห็นในชารอยตัวต ว, วัตถุเนี่ยมันสะสมอยู่ภายในใจมากเกินไปได้ยินเสียงปี๋เสียงกรองแล้วก็ต้องไปแล้วต้องดูต้องฟัต ง, งต้องสนุกสนาน อายุวนามอยู่ในวัยที่จะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญสมาธิทำความสงบไปนแก่ใจก็ต้องไปก่อนเพราะแนวหนึ่งเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่สะสมไม่สะสมสิ่งเลวร้ายตั้งหลายไว้ภายในใจเพราะถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นน่จะบังคับผลบังคับให้ดูบังคับให้ฟังบังคับให้ดมบังคับให้ลิ้มบังคับให้จับต้อง แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นดีก็สะสมได้เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลเหนือจิตแล้วก็กําหนดกําหนดได้เหมือนกันเพืก็หมายความว่ามันก็กลายเป็นเรื่องดีไปสำหรับการเก็บการสะสมจึงเป็นแนวที่จะเพิ่มปริมาณของสิ่งเหล่านั้นขึ้นคือสิ่งดีก็สิ่งไม่ดี และเพื่อให้สิ่งดีนั้นมีอิทธิพลเหนือใจแล้วก็ดูสิ่งดีๆกลับเข้ามาเพิ่มพูนเข้าม า, มาคล้ายๆกับแนวแนวเดียวกับพวกบารมีอาสวะที่มีการสะสมอยู่ภายในใจคนคือสร้างความรน้มเอียงลักษณะนิสัยความถนัดความสนใจก็ไปตามสิ่งที่เราเก็บสะสมเอาไว้ภายในใจ พฤิกรรมคนก็ออกมาในรูปที่เรียกว่าหลังเนื้อชอบลังยาือเป็นเป็นไปาตามสิ่งที่เราเก็บราสะสมเอาไว้แต่ที น, นี้ถ้าใจมันอิสระจริงๆม้ความว่าใจไม่ถูกอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์บีบบังคับมากขนะึนใจจะเป็นอิสระจะลอยตัวซึ่งสามารถจะมองได้สามระดับ ท่านสาจารณชนทั้งหลายจะเห็นว่าในแนวของศีลเนี่ยส่วนมากแล้วจิตใจเราจะถูกวัตถุ ก, กําหนดมีวัตถุกําหนดให้โลภจนถึงการละเมิดศีลมีการกระทําของคนที่กําหนดแต่เราให้โกรธจนถึงอาจฆ่าฟันกันมีการยั่วยวุจนปลุกเร้าวความกําหนัดจะมีการละเมิดในทางเพศกันอะไรกัน นันแสดงว่าชั้นศีลแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับสภาพแวดล้อมบุคคลที่แวดล้อมให้เกือกูลเพราะจิตใจของเราอย่างอ่อนไหวมากก็สู้อะไรไม่ค่อยได้อะไรมันเหมือนกับงูที่ลออคลาบใหม่ๆเนี่ยไม่พร้อมที่จะเลยไปไหนต่าจะขืนไปมันก็สู้อะไรไม่ค่อยได้พอ ม, มาถึงระดับสมาธิก็จะมีลักษณะอย่างนั้น แต่เป็นแนวงานอิงอาศัยซึ่งกันและกันคือไม่ถึงกับว่าถูกมีอิทธิพลหรือว่าจิตมีอิทธิพลมากเกินไปเพราะอยู่ในระดับก้ามเกึง่กันทำยังไงจึงจะคุมจิตให้มันเดินไปในทางที่ดีได้เพราะอารมณ์ที่กำหนดระลึกให้เกิดสมาธิมันจะมีสิ่งที่เป็นกลางๆฉานลมหายใจเข้าออก มันจะมีสิ่งที่ที่ไม่ดีเช่นพวกมีวรแล้วก็มีสิ่งที่เป็นกุศลเช่นพุทธานุติร์เราเลิกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสมุขคุณกังศีนกาพวกกุศลธรรมทั้งหลายแต่เราสังเกตว่าถ้าเป็นรูปแล้วเนี่ยจะต้องเป็นรูปไม่ใกล้ต่อราคะไม่ใกล้ต่อโทสะอารมณ์กรบทานจึงไม่มีตัวกระตุ้นใกล้าราคะโทสะ ถ้าจะต้องดูรูปก็ต้องดูศพกันเลยไปดูรูปธรรมดาไม่ได้เพราะมันใกล้ตราคะใกล้ตัวสัต์ถ้าจะดูคนก็ต้องดูที่แก่ดูที่เจ็บดูที่ตายตายแล้วมันก็ต้องดูศพที่ผ่านเวลาไปแล้วเพราะอะไรเพราะคนเรามันก็อดรักอดชังไม่ได้ ตอนนั้นใจิตใจเราไม่กล้าแข็งพออาการแกว่งทางใจก็เกิดขึ้นแม้แต่อารมณ์ของกรรมฐานประเภทอสุภะกรรมฐานคือประเภทดูโศกเราต้องมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์เยอะและเกินจึงจ ะ, จะเจริญกรรมฐานข้อนี้ได้เช่นไม่ไม่ดูโศบทั้งตัวดูโศบเป็นปริเจตคือท่านแบ่งเป็นท่อนๆเป็นสามท่อน ก็ดูตำานองคล้ยๆกับหมอผ่าตัดคือส่วนอื่นก็ผ้ามาคลุมไว้แล้วก็ดูเฉพาะจุดที่ตัวจะผ่าตัดการเริญกรฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่กี้ก็ซากศพเนี่ยท่านให้ดูเฉพาะจุดที่เราต้องการจะ ด, ดูโดยแบ่งเป็นถามท่อนแต่ศพต้องหมดสภาพความเป็นเป็นคน ที่มีเนื้อหนังมังสาเรียบร้อยอยู่เอาเป็นคนนั่นแหละแต่ก็หมดสภาพไปแล้วมีกลิ่นคือต้องเห็นทั้งในส่วนไม่ดีของกลิ่นปฏิกูลของกลิ่นปฏิกูลของรูปปฏิกูลของสัมผัสจับต้องก็รู้สึกขยะแขยงได้กลิ่นก็รู้สึกสะอิดสะเอียนมองเห็นก็รู้สึกขวาดสะดุ้งรู้สึกน่ากลัวน่าน่ารังเกียจ มันเป็นการสะท้อนภาพความจริงของชีวิตที่เรียกว่าร่างกายเป็นที่ประชุมของสิ่งน่าเกลียดศพมันก็สะท้อนออกมาเห็นว่าจริงๆที่พระเจ้าสอนว่าร่างกายเป็นที่รวมของสิ่งน่าเกลียดมันก็จริงนี่ก็แสดงให้ดูออกมานี่เป็นระดับของสมาธิเราจะเห็นว่าระดับสมาธิมันก็มีแนววัตถุ ก, กับแนวจิตใจกากึ่งกัน กรรมฐานจึงแตกก็มีจึงบรรลุไปก็มีก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ําหนักที่เกิดขึ้นในขณะเจริญกรรมฐานเหล่านั้นมันก็ไปได้ยังไงไปได้ขนาดไหนเรายังพบตัวอย่างท่านที่เจริญพวกระดับสมาธิจนขนาดได้ฌานมันก็เสื่อมได้เพราะอะไรไปถูกวัตถุสวยๆเสียงรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมหอมกระแทกกระทันอารมณ์ท่านเกินไปหรือว่าอารมณ์ได้ยั่วยุให้โกรธเกิดขึ้นง่ายเกินไป เราเคยได้ยินฤาษีกลไลโกรธซึ่งถูกยั่วยวนด้วยนางเทพธิดาแล้วก็ตาบะก็แตกเราพบฤาษีบางคนในี่โกรธ ถ, ถูกยั่วยุให้โกรธฌานก็เสื่อมแสดงว่าถูกยังมีทิพยเหนือจิตเพ ร, ะราะอะไรว่าจิตจิตยังอ่อนยังอ่อนไม่แข็งแรง แต่พอมาถึงระดับของวิปัสสนากรรมฐานยิ่งจะมีอาการเด่นชัดขึ้นระดับสมถะระดับของศีลระดับของการปฏิบัติธรรมนั้นจะพูดในแนวอะไรเป็นอะไรหมาความเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยควรจะหลีกเว้นควรจะหลบเสียอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปยุ่งเลย จะเน้นที่อะไรเป็นเป็นอะไรหรือเป็นอย่างไรนี่มากอะไรเป็นอะไรนี่มากกว่าอะไรเป็นอย่างไงแต่พอระดับพิปัสสนานั้นมันก็ปัญญามันก็สูงขึ้นละมันไม่อยู่ที่อะไรแต่ไปอยู่ที่อย่างไรคือเรามองอย่างไงเรามีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไรภาพนั้นอาจจะสวย แต่ก็มองโดยสืบเนื่องมาจากสมาธิเช่นเจเลยนาธิกะสัญญาภาพสวยๆคนสวยๆเนี่ยท่านมองเห็นเฉพาะพระโครงกระดูกเดินกัเป็นแถวนั่นคือแนววิปัสสนามันจะเป็นยังไงก็กเรื่องของเขาแต่ว่าใจเราจะมองอีกเรื่องนึงหรืออย่างที่เคยยกตัวอย่างเดเรวัดตึงต่อมาเป็นสามเณรเดววัดแต่เป็นพระเรวีวัด ระกายความคิดของท่านเกิดจากการมองคอําพรที่ผู้ใหญ่ก็ให้พรว่าให้มีอายุยืนเหมือนยาธุ่ฒิสุญญาทุ่ฒิในขณะนั้นแกงอมมากอายุตั้งร้อยี่สิบปีละเป็นการมองจากปัจจุบันคือมองชีวิตคนในปัจจุบันเป็นเป็นอายุอี ก, อกร้อยอีกร้อยกว่าปีหมายความว่ามองคนจากอายุเจ็ดขวบ ไปอีกร้อยสามปีร้อยสิบสามปีก็กลายเป็นร่างกายที่แก่งอมพระเจะราเหมือนญาติถุนจเจริญวิปั ส, สนาสละสมบัติทั้งปวงนี้เข้าไปอยู่ในป่าในตรงนี้เราจะพบว่ามันใ ก, กล้ยๆกับแนวที่พระเจ้าทรงใช้สอนพระรูปบรันดาเทีซึ่งได้หลงไหลคลั่งคลายในความสวยงามของตัวท่านเป็นอันมาก แม้จะบวชเป็นภิกษุณีโกนผมหมดแล้วท่านก็ยังสวยท่านก็ยังหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับความสวยงามเหลนะ่านั้นพระเจ้าทรงใช้ภาพของผู้หญิงสวยๆสิบห้าสบหให้ดูสวยมากสวยกว่าท่านจนเทียบกันไม่ได้ในขณะที่ดูจิตสงบจิตสงบก็คืออาการของสมาธิแต่ว่าเป็นการเพ่งพินิษพิจารณาชื่นชมมุมเดียวว่าเป็นความสวยงาม และสวยงามกว่าท่านไอความอยากสวยอยากงามแต่ที่อยากสวยอยากงามอย่างท่านก็อยากสวยอยากงามอย่างผู้หญิงคนนั้นสแสดงว่าจิตมันวิ่งไปเกาะในร่างกายคนอื่นแล้วไม่ได้เกาะอยู่ที่ตัวเองผู้เจ้าก็บรรดาในร่างคนนั้นเสื่อมอย่างเร็วเมอความก้แก่ปรากฏเร็วว่า แล้วกลายเป็นหญิงแก่พระเจราอายุถึงร2อยี่สิปีโรคโรคไข้เจ็บรุมมารุมมาตุ้มกันเป็นการใหญ่แล้วเริ่มป่วยก็สับกระสายดิ้นรนไปด้วยประการต่างๆแล้วก็ชักดิ้นชักงอนจนตายไปพอตายป้าก็โศก็เริ่มขึ้นเดือดเดือืืขึ้นมาที่ภาพคือแนวช่วยเป็นแนวช่วยเป็นแนวสร้างขึ้นช่วยแต่จริงแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนั้น พระถ้าคนระดับจเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันก็จะมองเห็นแม้ปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นต่อไปก็เป็นอย่างนั้นเป็นการมองจากปัจจุบันไปสู่อนาคตเราจะเห็นว่าต่อไปร่างกายก็จะเป็นอย่างนี้วิปัสสนาจึงอยู่ที่การมองอะไรเป็นอะไรมองอย่างไรสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ก็ไม่สําคัญเพราะท่านจึงสามารถมองดอกไม้สว ย, สวย แล้วพิจารณาเห็นตามไตรลักษณ์มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไฟน้อมดอกไม้นั้นเข้ามาหาชีวิตน้องชีวิตก็ไปหาดอกไม้ในสุดก็มองเห็นว่าชีวิตมันก็เหมือนกับดอกไม้บางคนอาจจะมองในแนวของความฝันจริงที่เอาฝันนั้นที่จริงมันก็ไม่จริงพอลืมตาแล้วมันไม่มีอะไรจริงสักอย่างหนึ่งชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นเอง ประเด็นจุดหนึงเราจะเห็นว่าไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีสาระแก่นสารอยู่ที่ตัวชีวิตแต่สาระแก่นสารมันอยู่ที่ตัวคุณธรรมที่อาศัยชีวิตสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาการอมองในวิปัสสนาจึงไม่สนใจในรู ป, ปรวัตถุแต่สนใจในตัวความจริงของสิ่งเหล่านั้นและการจะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น ถึงแน่นอนทั้งคงอาศัยอาศัยสิ่งทั้งหลายแต่ว่าไม่ได้มีความยึดมันม่นถรือมั่นจานองคล้ายๆกับเราจะไปไหนมาไหนก็ต้องอาศัยญาณพานะแต่ก็ไม่ยึดมัน่นถือมั่นอยู่ในตัวพานะเหล่านั้นว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้แต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่ท่านบรรลุผลจากการเจริญปัญญาแล้วเราพบว่าโลกวัตถุก็คงคงคงเหมือนเดิมรูปเสียงกลิ่นรส เย็นร้อนนอนแข็งก็คงผ่านไปในชีวิตของท่านเหมือนเดิมแต่ท่านกลับเห็นว่ารูปมันก็คือรูปก็จบเสียงก็คือเสียงก็จบกลิ่นก็คือกลิ่นก็คือตกไม่เอามาปรุงคิดไม่เอามาคิดปรุงให้เกิดราคะให้เกิดโทสะให้เกิดโมหะแต่ประกาศได้คือมันตกไปจากจิตมันเกาะติดเกาะจิตไม่ติดตอนมองก็เราเอาของอะไรไปวางที่ลื่นๆมันก็เกาะอยู่ไม่ติด ดังนั้นบางคราวพระเจ้าทรงอุปมาหเห็นว่าเหมือนกระยาดน้ําที่ตกลงปไปบวมันก็กลิ้งกลับมันซึมเข้าไปไม่ได้ไม่ได้หมายความไม่มีหยาดน้ําตกมันก็ตกแต่ตกแล้วซึมไม่ได้มันก็ต้องกลิ้งกลับออกมาเพราะนั้นวัตถุในสายตาของพระอริยะที่รู้เห็นตามความเป็นจริงพอสิ่ง น, นึ่งเรื่องเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งเรื่เกิดขึ้น แล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดก็เกิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปใจมันไม่ไปเกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ดินดียินไรกับความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของสิ่งเหล่านั้นต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสุขต่อไป